ยี่ำพันษาที่นานานปวดแม่มาห่างจากบ้านแม่ปังไปประมาณสามกิโลเมตรข้ามดอยแม่ปังไปมีทุ่งนาระหว่างเขาอยู่แห่งหนึ่งทุ่งนี้ยาวไปตามความยาวของภูเขามีทารน้ําไหลตลอดปีข้างทารน้ําไหลนั้นมีถ้าอยู่แห่งหนึ่งลักษณะของถ้าเกิดจากการไหลเทาะของน้ํากับรินตลิง นานๆไปทําให้ข้างริมตลิงตรงบริเวณนั้นเป็นถ้ำไปลักษณะของถ้ำแห่งนี้จึงมองดูด้านบนไม่รู้ว่ามีถ้ำอยู่ในบริเวณนั้นถ้าลงไปเดินที่ลำธารจึงจะมองเห็นถ้ำมีบริเวณกว้างประมาณ 5-6 เมตรปัจจุบันน้ำพัดพาเอาทรายและก้อนหินเล็กๆ เ, เข้าไปอุดเหลือความลึกจากปากถ้าประมาณ10เมตรเศษ ในฤดูแล้งอาศัยอยู่ได้อย่างสบายแต่ฤดูฝนน้ำจากภูเขาไหลมามากทำให้ทาน้ำไหลเข้าไปในถ้ำอยู่ไม่ได้เจ้าของที่นาแห่ง น, นี้คือหนานป่วนและแม่มาสามีภรรยาคู่นี้มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็กในฤดูแง้งหลวงปู่ไปเที่ยวเล่นตามป่าเขาได้พบถ้ำดังกล่าวเข้าจึงไปพักภาวนาอยู่ในฤดูแล้ง คลนใกล้เข้าพรรษาหลวงปู่เห็นว่าแถวนั้นเป็นป่าสงบดีจึงแจ้งให้เจ้าของนาทราบว่าต้องการจะอยู่จำพรรษาในบริเวณนั้นฝ่ายเจ้าของนาเมื่อทราบดังนั้นดีใจมากจัดแจงทำที่พักบนหลังถ้ำให้โดยปลูกเป็นกุฏิชั่วคราวยกพื้นสูงหลวงปู่บอกให้ทำพื้นพอพ้นดินก็ได้สะดวกในการขึ้นลงดีนานป่วนและแม่มาไม่ยอม โดยให้เหตุผลว่าทำพื้นต่ำไม่ได้พวกเสือจะมารบกวนเพราะสมัยนั้นป่าแถวนั้นยังเป็นป่าดงดิบอยู่พวกสัตว์ป่ามีอยู่ทั่วไปแม้จะบอกว่าไม่กลัวเสือนั น, นปวนก็ไม่ยอมอยู่นั่นเองที่สุดต้องอนุโลมตามยอมให้ปรุกุติยกพื้นสูงตามความเห็นของเขาที่มีความปรารถนาดีนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ทั้งนั้นป่วนและแม่มาต่างก็รักษาอุโบสถจนตลอดพรรษาและคงรักษามาจนตลอดชีวิตหลวงปู่กล่าวว่าเวลากลางคืนได้เดินเที่ยวไปมาตามป่าเขาแถวๆนั้นบ่อยๆในวันที่อากาศปลอดโปร่งไม่มีเมฆเวลากลางคืนแสงจันทร์สว่างจ้าเดินเที่ยวให้ความเพลิดเพลินดีไม่ปรากฏว่ามีสัตว์มีอะไรมาปรากฏให้เห็นเลย เวลากลางวันบางวันก็ขึ้นไปภาวนาอยู่ตามก้อนหินสูงๆบนภูเขามีพวกเด็กๆที่มาเลี้ยงควายอยู่แถวนั้นเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไปถวายทุกวันในกลางพรรษามีคณะศรัทธาจากป่าเมี่ยงแม่สายซึ่งนำโดยแม่โสมมานิมนต์ว่าออกพรรษาแล้วขอนิมนต์ไปโปรดทางป่าเมี่ยงแม่สายบ้างเมื่อถึงวันออกพรรษาไม่นานนัก คณะศรัทธาป่าเมี่ยงแม่สายก็มารับขึ้นไปตามที่ได้นิมนต์ไว้แล้วจึงได้บอกลาหนานปวนและแม่มาเดินทางขึ้นไปป่าเมี่ยงแม่สายพร้อมคณะศรัทธาที่มารับหลวงปู่เล่าว่าการเดินทางไปป่าเมี่ยงแม่สายนั้นต้องเดินทางขึ้นเขาลงห้วยไปหลายแห่งกว่าจะถึงใช้เวลาเดินทางขาขึ้นหกชั่วโมงขาลงสี่ชั่วโมงเดินขึ้นไม่แข็ง ต้องใช้เวลานานกว่านี้ป่าเมี่ยงแม่สายนี้เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่กลางหุบเขาชาวบ้านมีอาชีพทำสวนเมี่ยงมีน้ำไหลผ่านตลอดปีเดิมชาวบ้านถือผีกันถึงปีต้องทำพิธีเลี้ยงผีไม่เช่นนั้นจะมีการเจ็บป่วยล้มตายกันหัวหน้าหมู่บ้านก็คือแม่โสมนั่นเองแม่โสมนอกจากจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้ว ยังเป็นหมอผีไปในตัวด้วยต่อมามีพระกรรมฐานไปพักอาศัยอยู่ท่านเทศแนะนำสั่งสอนให้เลิกถือผีให้นับถือพระรัตนตรัยแทนในครั้งแรกยังมีผู้เชื่อถือไม่กี่คนพวกที่เลิกถือผีนั้นมีแม่โสมเป็นหัวหน้าครั้นถึงเวลาครบปีไม่ได้ทําการเส้นสวงผีเหมือนอย่างเคยผีก็แสดงเดชของผีทันที โดยเข้าสิงผู้คนวุ่นวายไปหมดในที่สุดมาเข้าสิงลูกยายโสมเองพร้อมขู่ว่าถ้ายายโสมไม่เลิกนับถือพระรัตนตรัยแล้วกลับมาเต้นสวงอย่างเคยจะหักคอลูกเสียเมื่อหัวหน้าเจอดีเสียเองอย่างนั้นทำเอาครอบครัวของยายโสมวุ่นวายไปหมดบางวันแม้ตัวยายโสมเองก็ถูกผีสิงดิ้นพลาดพลาดไปเหมือนกัน แต่อายท่านผู้นี้มีสัจจะไม่ยอมละทิ้งพระรัตนตรัยในที่สุดลูกคนที่หนึ่งได้ตายลงคนที่สองก็เริ่มป่วยผีขูว่าจะเอาให้ตายหมดทุกคนรวมทั้งแม่โสมด้วยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากกลัวผีจะทำให้ตายจริงๆพากันมาร้องขอให้ยายโสมเลิกนับถือพระรัตนตรัยเสียแต่แม่โสมไม่ยอมยังยืนยันว่า ตาเป็นไาพวกชาวบ้านและลูกหลานก็มารบเร้าอยู่ทุกวันให้เลิกนับถือพระวันหนึ่งแม่โสมทนความรำคาญไม่ได้จึงนำความไปปรึกษากับพระว่าจะทำอย่างไรดีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดวุ่นวายจึงจะสงบพระแนะนำว่าต้องให้ชาวบ้านทุกคนมาประชุมกันรับพระไตรสร ะ, ะคมและศีลเสียเมื่อแม่โสมได้รับคาแนะนาเช่นนั้น จึงสั่งให้ชาวบ้านทุกคนมาประชุมที่วัดเมื่อชาวบ้านมาประชุมพร้อมกันแล้วพระก็เทศสั่งสอนให้รู้จักความหมายของพระรัตนตรัยและศีลแล้วให้ชาวบ้านทุกคนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะรับพระไตสรณคมและศีลทั่วกันทุกคนฝ่ายพระก็เล่งการเทศนาอบรมสั่งสอนกันทุกวันในที่สุดความเจ็บป่วยเนื่องจากผีเข้าเจ้าสีงก็หมดไป ไม่เคยปรากฏอีกเลยโดยเฉพาะแม่โสมนั้นถ้าผีเข้าใครเพียงแต่มีคนพูดว่าแม่โสมมาแล้วผีจะรีบออกทันทีมันออกปากว่าที่บ้านแม่โสมนั้นเข้าไปใกล้ไม่ได้มีแสงแพรวอยู่ตลอดเวลาแม้ชื่อของแม่โสมถ้าได้ยินแล้วไม่รีบออกหัวก็จะแตกนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ชาวป่าเมี่ยงแม่สายก็พากันละทิ้งการนับถือผีโดยเด็ดขาดคนที่เจ็บป่วยเพราะผีเมื่อรับพระไตรสรณคมและศีลแล้วก็หายป่วยเป็นปกติส่วนแม่โสมนั้นหลังจากเลิกนับถือผีแล้วก็เป็นหัวหน้าในการสร้างวัดประจามู่บ้านขึ้นโดยสร้างเป็นวัดฝ่ายกรรมฐานเป็นผู้บำรุงวัดอย่างแข็งแรงตลอดมา วัดนั้นจึงเป็นวัดกรรมฐานมาตลอดจนทุกวันนี้หลวงปู่เล่าว่าที่ป่าเมี่ยงแม่สายนี้อากาศหนาวมากในฤ ด, ดูหนาวฝนตกชุกในฤ ด, ดูฝนสำหรับองค์หลวงปู่นั้นอากาศถูกแก่ธาตุขันดีไปอยู่ที่นี่ฉันอาหารก็ฉันได้มากเป็นพิเศษไม่มีอาการอึดอัดง่วงซึมเวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็ว ทางด้านจิตตภาวนานั้นรู้สึกว่าได้ผลดีนับได้ว่าเป็นสัพพายะอีกที่หนึ่งบรรดาพระเทระฝ่ายกรรมฐานที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างก็เคยไปบำเพ็ญภาวนาที่ป่าเมี่ยงมาแล้วหลายองค์ขึ้นไปพักภาวนาอยู่ป่าเมี่ยงได้ประมาณหนึ่งเดือนวันหนึ่งพระมหาบุญซึ่งอยู่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ตามขึ้นไปหาถึงป่าเมี่ยงแม่สาย ลักษณะอาการของพระมหาบุญที่ไปหานั้นบอกลักษณะคนมีความกลัวอยู่ถามได้ความว่าพระมหาบุญไปพักภาวนาอยู่ถ้ำดอกคำตมบล น, น้ำแพร่อำเภอเพรา้าวครั้งแรกพักภาวนาอยู่นอกถ้ำตกกลางคืนมาได้ยินเสือร้องอยู่ใกล้ๆที่อยู่นึกกลัวว่าถ้าอยู่ที่นี่เสือมันมาเราจะทำอย่างไร ขณะที่เรากําลังนั่งหลับตาภาวนาอยู่ถ้าเสือมันเข้ามาข้ามเอาเราไปกินเราก็ไม่มีทางป้องกันตัวหรือหลบหลีกได้เมื่อความกลัวเสือเข้ามาเกิดบสิบเช่นนั้นจึงมองหาที่ปลอดภัยกว่าที่อยู่นอกถ้าวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปสำรวจดูภายในถ้าเห็นว่าเป็นที่ที่เหมาะดีจึงย้ายเข้าไปอยู่ภายในถ้าเพื่อจะให้พ้นเสือแต่ก็เหมือนโชค ยังไม่เข้าข้างพระกรรมฐานผู้กลัวเสือเข้าทํานองหนีเสือแล้วยังไปปะเอาจระเข้เข้าอีกหนีน้ำยังปะไฟกล่าวคือพอตกดึกของคืนวันแรกนั้นเองขณะที่กำลังภาวนาคันหลังพิงผนังถ้ำอยู่ได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆตัวจิตซึ่งมีอารมณ์กลัวเสืออยู่ก่อนแล้วเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติอยู่ใกล้ๆตัวเช่นนั้น ก็คิดว่าแน่แล้วเสือแต่เพื่อให้เกิดความแม่ใจจึงลืมตาขึ้นดูแทนที่จะเป็นเสือดังที่เคยกลัวจนถึงย้ายที่อยู่มาแล้วนั้นกลับไม่ใช่อย่างที่คิดไวปรากฏว่ามีร่างใหญ่ดาทมึนยืนขวางปากถ้ำอยู่มีในตาลุกวาวถลนออกมานอกเบ้าตามองดูน่ากลัวมากทำให้พระมหาบุญกลัวจนตัวสัน่นไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหน เพราะตนเองได้ลงไปอยู่จนสุดก้นถ้าแล้วจะวิ่งออกมาภายนอกก็ไม่ได้เพราะร่างนั้นยืนขวางปากถ้าอยู่อย่างสงา่าเหมือนผู้ชนะจึงทําได้อย่างเดียวคือรวบรวมกําลังใจข่คมความกลัวด้วยบริกรรมพุทโธพุทโธซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้างตามภาษาคนที่ตกอยู่ในความกลัวขวัญ น, นี้ดีฟอรร่างประหลาดนั้น เห็นชัดเจนทั้งหลับตาและลืมตาแต่เขาก็ยืนขวางปากถ้ำอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงอาการอย่างอื่นให้ปรากฏยืนอยู่เช่นนั้นจนสว่างพอได้อารุณแล้วร่างนั้นก็หายไปณนะที่นั้นเองเมื่อร่างนั้นหายไปแล้วประกอบกับเป็นเวลาที่สว่างพอดีรีบเก็บบริขารอย่างรวดเร็วออกไปจากถ้านั้นโดยไม่มีความอะไรว่าจะกลับมาเยือนกันอีก เมื่อนี้ออกจากถ้าไปแล้วได้เดินไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปพอสมควรไปบินบาทที่หมู่บ้านนั้นฉันเสร็จแล้วรีบเดินทางไปที่แม่พวกเพื่อไปตามหาหลวงปู่ที่แม่พวกนี้หลวงปู่เคยไปจำบัรษาอยู่สามครั้งปัจจุบันตั้งเป็นวัดขึ้นแล้วซึ่งหมู่บ้านแม่พวกนี้เป็นสถานที่ตั้งของสหกรณ์ด้วย เมื่อไปถึงแม่พวกไม่พบหลวงปู่เพราะพรรษานั้นหลวงปู่ไม่ได้จำบรรษาอยู่แม่พวกแต่จำบรรษาอยู่นาหนานปวนเมื่อไม่พบหลวงปู่ตามที่ตั้งใจไว้จึงพักอยู่แม่พวกคืนหนึ่งคืนนั้นตลอดทั้งคืนภาพจากถ้าดอกคำยังตามมาหลอกหลอนอยู่ทําให้พระมหาบุญนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนหลวงปู่เล่า ว, ว่า ร่างประหลาดที่พระมหาบุญได้เห็นในคืนนั้นคือเจ้าของถ้าเป็นเปรตอยู่รักษาถ้านั้นที่มาหลอกล้อพระมหาบุญก็เพราะเขากลัวว่าพระจะไปแย่งที่อยู่ของเขาเขาจึงหลอกล้อเอาเพื่อให้เกิดความกลัวแล้วจะได้หนีไปเสียพระมหาบุญได้ทราบขา่าวจากชาวบ้านว่าหลวงปู่แหวนขึ้นไปป่าเมี่ยงแม่สายจึงรีบติดตามไปหาหลวงปู่จนถึงป่าเมี่ยงแม่สาย เมื่อพระมหาบุญไปพักอยู่ที่ป่าเมียงแม่สายกับหลวงปู่นั้นความกลัวซึ่งเป็นอารมณ์อดีต ท, ที่ถ้ำดอกคาหาได้หายไปไม่ภาพจากถ้ำดอกคายังคงเป็นภาพติดตาติดใจอยู่นั่นเองถึงแม้หลวงปู่จะแนะนำอย่างไรพระมหาบุญก็ไม่คลายความกลัวสารายไปกว่านั้นก็คือรบเร้าให้หลวงปู่พาตนเองไปส่งที่แม่หอพระพระมหาบุญมารบเร้าอยู่ทุกวัน เมื่อทนความรบเร้าไม่ไหวหลวงปู่ก็พาพระมหาบุญกลับลงมาสงที่แม่หอพระแต่พอมาถึงแม่หอพระแล้วแทนที่จะอยู่ตามความตั้งใจเดิมพระมหาบุญกลับบอกว่าผมอยู่ไม่ได้ที่นี่ผมอยู่ไม่ได้พาผมไปส่งที่บ้านป่งดีกว่าจึงพาไปส่งที่บ้านป่งอีกสมัยนั้นที่บ้านปง่งมีหลวงปู่ขาวอนนารโย กับหลวงปู่พรมจิระปุญโยอยู่ไปายหลวงปู่พรมเมื่อเห็นหลวงปู่แหวนพาพระมหาบุญเดินโซซาโซเซมาดังนั้นท่านรู้นิสัยพระมหาบุญอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรแทนที่จะต้อนรับอย่างดีกลับพูดว่าไปไปมหาบุญผีบ้ามาที่นี่ทำไมไปไปไปให้พ้นถ้าไปไม่ได้ให้คลานไปไปเชียงใหมน่น่นอย่ามาอยู่ที่นี่ พระมหาบุญได้ฟังการต้อนรับอย่างถึงอกถึงใจอย่างนั้นโกรธจัดยังไม่ทันที่จะได้พักกันเลยรีบเดินออกไปจากวัดอย่างรวดเร็วเดินไปจนถึงแม่ริมเข้าไปวัดแม่ริมเกิดความไม่พอใจอีกจะไปวัดเจดีหลวงหลวงปู่จึงพูดกับพระมหาบุญว่าดีแล้วให้กลับไปวัดเจดีหลวงตามคาบอกของหลวงพ่อพรมก็แล้วกันแต่ต้องไปคนเดียวไม่ไปส่งอีกแล้ว พระมหาบุญเดินทางต่อไปวัดเจดีหลวงแต่เพียงองค์เดียวส่วนหลวงปู่แหวนพักอยู่วัดห้วยน้ํารินหลวงปู่เล่าว่าที่หลวงปู่พรมพูดไล่พระมหาบุญเช่นนั้นเพราะรู้จักนิสัยกันดีท่านต้องการทรมานพระมหาบุญคือต้องการให้เดินให้เหนื่อยอ่อนจะได้นอนหลับการเดินทางตามส่งพระมหาบุญในคราวนั้นซึ่งเป็นการเดินทางที่แสนจะทรมานจึงยุติลง าายี่สิบห้าอาพาธและพบพระอาจารย์หนูสุจิตโตปีพุทธศักราช2489นั้นหลวงปู่แวนจำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านปองอําเภอแม่แตงในพรรษานั้นท่านอาพาธเป็นแผลที่ขาอักเสบได้รับความทรมานมากไปบินาบาตไม่ได้พระภิกษุกสำมเนินอื่นก็ไม่มีชาวบ้านก็ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควร มีผู้ส่งข่าวไปให้พระอาจารย์หนูสุจิตโตซึ่งพักบำเพ็ญอยู่ที่ดอยแม่ฝังอำเภอรพร้าวต่อมาในเวลากลางคืนขณะที่นั่งภาวนาอยู่เกิดนิมิตขึ้นมาว่าเห็นหลวงปู่นอนอยู่บนพื้นดินเมื่อออกจากสมาธิแล้วจึงน้อมเอานิมิตนั้นมาใคร้ครวญอีกครั้งหนึ่งคิดในใจว่าคงจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดแก่หลวงปู่แหวนแน่นอน เมื่อฉันเช้าเสร็จแล้วจึงรีบเดินทางไปบ้านปงเมื่อไปถึงบ้านปงได้พบหลวงปู่แวนอาพาธหนักพระอาจารย์หนูจึงบอกให้ชาวบ้านไปหาหมอมาพาชื่อหมอจี้อดีตเคยเป็นทหารเสนารักเมื่อหมอมาแล้วเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาจึงลงมือผ่าทันทีโดยไม่มีการฉีดยาชาก่อนลงมือผาพระอาจารย์หนูได้ขอโอกาสท่านพูดว่า ต่อไปนี้หมอเขาจะพ่าเอาความเจ็บปวดออกผ่าเอาโรคร้ายออกเขาไม่ได้พ่าท่านอาจารย์นะเขาผ่าดินน้ำไฟลมต่างหากหลวงปู่พูดว่าเออแล้วท่านก็กำหนดจิตเข้าสู่สมาธิทันทีหมอตัดเอาเนื้อบริเวณปากแผลที่อักเสบออกชนหมดใช้เวลาเกือบชั่วโมงในขณะที่หมอกำลังตัดเอาเนื้อออกนั้นหลวงปู่คงนอนสงบนิ่งอยู่ ในท่าเดิมโดยไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนไหวลักษณะเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเมื่อหมอผ่าตัดเย็บบาดแผลพันผ้าเสร็จแล้วต่อมาประมาณห้านาทีท่านก็ออกจากสมาธิดื่มตาขึ้นพระอาจารย์หนูถามว่าท่านอาจารย์เจ็บไหมหลวงปู่พูดว่าพอสมควรแม้ยาแก้ปวดหลังการผ่าตัดหมอก็ไม่ได้ให้ฉัน รุ่ขึ้นอีกวันหนึ่งหมอมาล้างแผลให้หลวงปู่พูดว่าวันนี้เบาๆหน่อยเมื่อวานนี้มือหนักไปหน่อยท่านพูดเพียงเท่านั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเจ็บมากน้อยอย่างไรท่านก็ไม่ได้พูดหรือแสดงอาการว่าได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผลท่านคงอยู่อย่างปกติเป็นแต่เดินไม่ได้เท่านั้นท่านอาจารย์หนูต้องอยู่เฝ้าพยาบาลหลายวันเมื่อครบเจ็ดวัน ต้องกลับไปดอยแม่ปังเพราะอยู่ในระหว่างพันษาก่อนไปท่านได้มอบภาระการดูแลหลวงปู่ให้แก่ชาวบ้านให้ดูแลท่านไม่ให้ทอดทิ้งท่านอย่างแต่ก่อนซึ่งเขาก็รับว่าจะดูแลเฝ้าพยาบาลท่านอย่างดีเมื่อมอบการรักษาพยาบาลหลวงปู่ให้ชาวบ้านโป่งแล้วท่านอาจารย์หนูก็กลับไปดอยแม่ปังการอาพาธของหลวงปู่ในคราวนั้นเป็นอยู่นาน จนกระทั่งเดือนเมษายนในปีต่อมาอาการอาภาษ์จึงดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทยังเดินไปไกลๆ ไ, ไม่ได้26นิมนต์หลวงปู่มาอยู่วัดดอยแม่ปังนับแต่ได้ไปพยาบาลหลวงปู่ในปีพุทธศักราช2489และอีกหลายครั้งต่อมาท่านพระอาจารย์หนูดำริว่าปัจจุบันหลวงปู่มีอายุมากแล้ว พระภิกษุสามเณรอื่นจะอยู่ด้วยเพื่อเป็นอุปถาก็ไม่มีอาศัยคณะศรัทธาชาวบ้านคอยดูแลก็ไม่สม่ำเสมอท่านิมนต์มาอยู่ที่ดอยแม่ปังก็จะได้ถวายการดูแลอุปถากได้โดยง่ายไม่ต้องไปไปมามาอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดอยู่ในใจของท่านพระอาจารย์หนูไม่ได้บอกให้ใครทราบด้วยที่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็เพราะความไม่พร้อมบางประการ เนื่องด้วยที่ดอยแม่ฝังเสนาสนะที่มุงที่บังเป็นของถาวรก็ไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยดูขาดแคลนไปเสียทุกอย่างเพราะวัดดอยแม่ปังในสมัยนั้นยังไม่มีกุฏิแม้เพียงหลังเดียวดังนั้นความดำริของท่านพระอาจารย์หนูจึงเป็นเพียงความคิดแต่เพียงผู้เดียวไม่เคยเล่าความในใจของตนให้ใครได้รู้มาก่อนปีพุทธศักราช2505 ขณะที่พระคุณท่านมีอายุได้7จิดิบหปีคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านพระอาจารย์หนูกำลังนั่งภาวนาอยู่เกิดเป็นเสียงของหลวงปูด่ดังขึ้นมาที่หูว่าจะมาอยู่ด้วยนะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเพียงคิดว่าเสียงที่ได้ยินนั้นอาจจะเป็นเสียงของจิตสร้างขึ้นมาก็ได้เมื่อคิดเช่นนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจต่อไปจากวันที่ได้ยินเสียงของหลวงปู่มาอีกสามวัน มีคณะสัตหามาจากบ้านป่งนิมนต์ให้ไปรับฐานที่วัดบ้านป่งเมื่อผู้นิมนต์กลับไปแล้วรุ่งขึ้นวันใหม่หลังจากฉันอาหารแล้วท่านพระอาจารย์หนูได้ปรึกษากับสัตห์ชาวแม่ปังว่าท่านพระอาจารย์แหวนสุจินโนปัจจุบันท่านจำบรรษาวิวัดบ้านป่งมีอายุมากแล้วอยู่ทางบ้านป่งได้รับความไม่สะดวกเพราะขาดผู้อุปถัมภ์ ถ้าจะนิมนต์ท่านมาอยู่ด้วยที่วัดดอยแม่ปังนี้ตัทธาจะขัดข้องอย่างไรบ้างหรือไม่พวกศรัทธาที่อยู่ณที่นั้นต่างก็พูดว่าไม่ขัดข้องยินดีถ้านิมนต์ท่านมาได้ท่านพระอาจารย์หนูจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นวันไปรับทานที่วัดป่าบ้านป่งจะถือโอกาสนิมนต์ท่านมาด้วยคณะรัทธาชาวแม่ปังต่างก็แสดงความยินดี แต่โดยความเป็นจริงแล้วชาวแม่ฝังรู้จักหลวงปู่แหวนสมัยนั้นเพียงไม่กี่คนเพราะหลวงปู่ยังไม่มีชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏออกไปสู่คนภายนอกเช่นดังปัจจุบันนี้เมื่อไปถึงวัดป่าบ้านป่งแล้วหลวงปู่ก็ถามท่านพระอาจารย์หนูว่ามีศัททามาด้วยกี่คนท่านพระอาจารย์หนูก็กราบเรียนว่า มีศรัทธามาด้วยสองคนหลวงปู่คูดว่าดีแล้ววันนี้รับฐานเสร็จแล้วให้เอาบริขารของอัตมาไปด้วยจะไปอยู่แม่ปังด้วยท่านพระอาจารย์หนูพร้อมด้วยหลวงปู่แหวนและศรัทธาชาวบ้านแม่ปังอีกสองคนก็ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านป่งไปพักอยู่ที่วัดป่าบ้านช่อแล่หนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นเมื่อรับทานและฉันเสร็จแล้วเวลาสิบนาฬิกา ออกเดินทางจากช่อแลผ่านมาตามเส้นทางบ้านใหม่บ้านแม่วะเดินลัดเข้าป่ามาตามลําห้วยข้ามเขามาบ้านแม่ตองบ้านแม่แพงจนถึงบ้านแม่ฝังซึ่งสมัยนั้นเส้นทางดังกล่าวนี้ถนนยังไม่มีบางแห่งเป็นทางรถลากไม้บางแห่งเป็นทางเดินป่าซึ่งแต่ละแห่งต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยลัดเลาะมาตามไหลเขา แม้ว่าขณะนั้นหลวงปู่จะอยู่ในวัยชราและสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์การเดินทางมาตามเส้นทางดังกล่าวนั้นจึงนับว่าท่านมีความอดทนเป็นอย่างมากและสามารถเดินทางมาถึงดอยแม่ปังในวันนั้นคือเดินทางมาถึงดอยแม่ปังเวลา19นาฬิกาใช้เวลาในการเดินทาง9ชั่วโมง ถ้าวัดระยะทางปัจจุบันจากช่อแลถึงแม่ปังประมาณ40กิโลเมตรซึ่งหลวงปู่แหวนเดินทางมาได้โดยวันเดียวไม่ต้องพักค้างคืนระหว่างทางจึงนับว่าท่านอดทนมากทีเดียวรวมเวลาที่หลวงปู่แหวนอยู่จำบัรษาในวัดป่าบ้านป่งเป็นเวลา11ปีและได้มาจำบัรษาณกุติไม้หลังน้อยที่มีความกว้าง 3เมตร24เซนติเมตรและยาวเพียงห้าเมตรสาเซนติเมตรเท่านั้น่้มกลางโดงไม้สักอันเป็นสถานสงบตามธรรมชาติณนะวัดดอยแม่ฝังอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะับเป็นวิเวกสถานที่ก่อให้เกิดสงัดในจิตเหมาะแก่การเจริญภาวนาธรรมยิ่งนักผู้มุ่งมั่นสแสวงหากามสมบัติย่อมไม่นิยมยินดีในอรันชาวไพร แต่พระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นพระคุณท่านซึ่งปราศจากความติดแล้วมิใช่ผู้สแสวงหาการมสมบัติจากยินดีในอรันชาวไพรเป็นโรมนียสถาน